สักครู่เราก็ได้สาธยายความจริงที่ชื่อว่าทุกข์นะทุกข์มันก็มีหลายลักษณะเช่นความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันไม่มีใครหนีพ้นอย่างที่เราได้พิจารากันเมื่อวานเรามีความแก่เป็นธรรมดา จะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นทุกกลุ่มหนึ่งนะเรียกว่าทุกประจําสังขารทุก อ, อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ได้แก่ความโศกความร่ำรารรำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจอันนี้ก็เป็นเรื่องของอารมณ์โดยตรงเลย ไอ้ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายนี่มันเป็นเรื่องของกายนะที่เห็นได้ชัดไอ้ความทุกข์ทังอารมณ์เนี่ยหรื อ, รอว่าทุกข์ใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากความหลงนะเราพูดเมื่อวานนี้ไปแล้วเรื่องความหลง หลงมีสองอย่างนะคคือไม่รู้ตัวกับไม่รู้ความจริงเพราะไม่รู้ตัวนี่แหละนะหรือว่าการที่เผลอลืมตัวมันทำให้เราคิดไปในสิ่งที่ในลักษณะที่เชื้อเชิญความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นกับเราความโศกความร่ำไห้ลำพันธ์ก็มาจะเกิดจากการที่ ไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เสียไปแล้วคนรักที่จากไปแล้วไม่สามารถจะเอากลับคืนมาได้ก็เลยเศร้าโศกเสียใจความรับแค้นใจก็มักจะเกิดจากการที่จิตมันหว น, นึกถึงคนหรือการกระทา ที่ขัดอกขัดใจคือการกระทําที่เป็นการทําร้ายเบียดเบียนตัวเราซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังวางไม่ได้ให้ความเผื่อคิดในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าอดีตก็ตามหรือว่าไปจดจอ่อหมกบุนกับภาพอนาคต ที่ปรุงแต่งไปในทางเลวร้วายมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ปรุงไปในทางลบซะเคลื่อมโ น, โนนะก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลกระวนกระวายอันนี้เรียกว่าทุกข์ใจนะเพราะความหลงอนะันนี้พอมันเกิดขึ้นกับใจตัวเองแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองนะก็ยังฟูมฟักหล่อเลี้ยงพิทักษ์ปกม้องมัน อันนี้ก็เรียกว่าทำไปด้วย น, นั่งความหลงทั้งนั้นเลยเป็นเพราะหลงนะจึงคิดฟุ้งซ่านคิดในทางที่ผิดแล้วพอมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ยังหลงปกป้องรักษาฟูมงฟักหล่อเลี้ยงมันเอาไว้อันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะหลงคือไม่รู้ตัวลืมตัว แต่ที่จริงแล้วเนี่ยร่างเงาของมันเนี่ยร่างของความทุกข์เนี่ยก็เพราะตัวหลงประการที่สองนะคือไม่รู้ความจริงความจริงที่ว่าคืออะไรความจริงที่ว่าคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนะมีแล้วก็ต้องเสื่อมไปอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์หรือว่าทุกขัง แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนได้พูดง่ายๆก็คือสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเนี่ยมันมันไม่น่ายึดถือเลยแล้วก็ยึดถือไม่ได้เพราะว่ามันแปลเปลี่ยนเป็นนิดแล้วมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปอันนี้พอเราไม่รู้ความจริงข้อนี้เราก็ไปยึดอยาก ในลักษณะที่สวนทางหรือขัดแย่ความจริงชเช่นไปยึดร่างกายนี้ว่ามันจะต้องหนุ่มต้องสาวนะจะต้องไม่แก่จะต้องมีสุขภาพมีภารณาไมยดีมีกำลังวังชาไปเรื่อยๆจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งทั้งที่หัวสมองนะ มันก็บอกเราตลอดเวลาว่าคนเราไอ้ที่ไม่แก่ไม่มีที่ไม่ป่วยไม่มีแต่ว่าใจมันก็ยังไม่ยอมรับนะเพราะมันยังหลงอยู่เต็มที่เลยก็ยึดเอาไว้ยึดอะไรก็ตามนะที่ได้มาว่าจะต้องไม่เสื่อมไม่สูญไปมีของรักมีของถูกใจแล้ว ก็ยึดอยากให้มันอยู่กับเราไป น, น, นานๆเรียกว่าโชวฟ้าดินสลายนนี้พอนแปลเปลี่ยนไปร่างกายแก่ชารามม้จะเป็นไปทีละน้อยทีละน้อยมันสวนทางกับความปรารถนาหรือที่จริงความปรารถนาของเราต่างหากนะั่นที่สวนทางกับความจริงมันก็เลยเกิดความทุกข์ เกิดความอาลัยเกิดความวิตกหรือถ้าเกิดของที่มีมันเกิดแปลเปลี่ยนไปก็เศร้าโศกคนรักนะจากไปก็ขับแค้นรุมอกกุ้มใจอันนี้เพราะว่ามีความยึดอยากนะที่สวนทางกับความจริงและที่เป็นฉะนั้นกระเพราะความหลงนะ ไม่รู้ความจริงเมื่อปีที่แล้วมันมีมีเพลงนะทีะ่เป็นที่รู้จักกันในแวดวงคนจำนวนหนึ่งเพลงนี้ชื่อแปลกดีนะชื่อหนาทีบรรลุธรรมเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับผู้ชายซึ่งหลงรักผู้หญิงคนหนึ่ง ที่จริงผู้หญิงเขาก็รักผู้ชายคนนี้แล้วก็หมายมั่นตกลงกันว่าจะได้แต่งงานกันแต่แล้ววันหนึ่งผู้หญิงก็ทิ้งเขาไปชายหนุ่มคนนี้ก็เศร้าโศกเสียใจมากสุดท้ายก็าเลยเข้าวัดนะเพื่อจะบวชอนนี้เราบวชเพราะอกหักก็ช่วงที่กำลังจะโกนผมเนี่ยแกก็ เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ถามหลวงตาว่าทำไมคนรักจึงทิ้งเขาไปทำไมเขาถึงไม่สมองในเรื่องความรักหลวงตาก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่บอกให้ชายหนุ่มคนนี้ลองลืมตาโดยที่ไม่กระพริบตาสักห้านาทีสิลองทำดูซิแล้วมันเป็นยังไงชายหนุ่มคนนี้แกก็ลองทำดูนะ ก็สัวมันยากมากพยายามที่จะฝืนใจไม่ไม่กระพริบตาก็พะว่าปวดตาจนน้ำตาไหลหลวงตาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ธรรมชาติของตานี่มันก็ต้องกระพริบนะหากว่าปฏิเสธนะหรือขัดขืนไม่ยอมกระพริบตาเนี่ยมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นอันนี้ท่านตอบนะ เป็นในว่าความรักหรือว่าคนรักของข้าก็เหมือนกันนะก็เช่นเดียวกับสิ่งต่างๆนี่มันก็ไม่เที่ยงนั้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นนะพยายามที่จะให้มันเที่ยงเหมือนกับการพยายามที่จะลืมตาโดยไม่กระพริบตามันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาธรรมชาติของตาเราก็ต้องมีการกระพริบ ก็ทำลองดูกันถ้าเราหายใจเข้าและเราลองอดกลั้นนะไม่ยอมหายใจออกก็จะเกิดความอึดอัดมากแล้วถ้าทำยิ่้ไปนานๆก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายหรืออาจถึงตายได้อันนี้เป็นความจริงนะที่มันมีความแปรเปลี่ยนเป็นนิดก็เหมือนกับที่เราเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะนั่งไปถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องขยับนะ ถ้าเราฝืนไม่ยอมขยับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนมันก็จะปวดเมื่อยมากถ้าเราไม่ยอมอให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ยอมทำตามธรรมชาติของร่างกายเราที่มันต้องขยื่นขยับเราก็จะเกิดทุกข์มากเลยทุกทุกเนี่ยนะมันทำให้ต้องขยื่นขยับนะไอที่เราต้องขยื่นขยับเพราะว่าเราปวดเราเมื่อย แต่ถ้าเราต้องการพยายามที่จะตึงร่างกายให้อยู่ในท่านี้ก็ยิ่งทุกมากขึ้นความทุกทำให้เกิดอนิจจังนะทุกขังทาให้เกิดอนิจจังแต่ถ้าปฏิเสธอนิจจังเนี่ยก็ยิ่งเกิดความทุกมากขึ้นนะความคับแค้นความขัดเคืองนะรวมทั้งความอาลัยอาวร์ต่างๆเป็นต้น อันนี้แหละคือเป็นคือรางง่างเงาของความทุกข์ทั้งมวลของมนุษยนะ์โดยเพราะความทุกข์ใจความทุกข์ใจนะมีร่างเงามาจากความหลงคือไม่รู้ความจริงอย่างแล้วก็ตามเนี่ยการที่เราจะรู้ความจริงได้เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้จากไหนเลยนะการที่เราจะรู้ความจริงว่าทุกข์เพราะหลงเนี่ย สิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้ได้เนี่ยก็คือเรียนจากความทุกข์นะไม่ได้เรียนจากไหนแล้จะเรียนมาจากหรืออ่านมาจากหนังสือได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยตามใดที่ยังไม่ได้ทุกเองเนี่ยหรือไม่ได้เจอทุกข์กับตัวเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเห็นความจริงที่ว่าได้มีคนหนึ่งเนี่ยเขา ป่วยเป็นมะเร็งเป็นผู้หญิงอายุก็แค่สามสิบแล้วก็เป็นมะเร็งที่หมอเองก็แปลกใจเพราะมักจะเกิดขึ้นกับคนแก่นะคือมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะทีแรกเนี่ยหมอก็ไม่เชื่อนะแล้วพอเห็นว่าเออเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะาจริงก็ออยังคิดว่าเป็นเพราะเขาสูบบุหรี่มากไปอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุนหนึ่งซึ่งเขาไม่เคยสูบบุหรี่เลย ตอนที่เธอเป็นเธอก็ทุกมากนะเป็นคนที่กลัวตายมากพอรั่วเป็นนี่อารมณ์ก็แปรปรวนวีนนะวีนใส่หมอวีนใส่คนรอบข้างที่พูดไม่ถูกใจแต่ตอนหลังก็เริ่มทำใจได้ธรรมะนี่ก็มีส่วนที่ทำให้เธอเนี่ยทำใจได้สงบแล้วก็นิ่งขึ้นเอยๆจนกราทั่งจุดหนึ่งก็พบนะว่า มะเงเนี่ไม่ได้ทำให้ทุกข์ใจมะเร็งไม่ไไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นสยายแห่งความความทุกข์ตอเจอเพื่อว่าเนี่ยมะเล็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มหดหายไปความทุกข์ใจต่างหากที่เป็นตัวทำอันนี้หมายความว่าอย่างไรนะก็หมายความว่ามะเร็งเนี่ยมันทำได้อย่างมากก็คือทำให้เกิดความทุกข์ในทางกาย ทำให้เดินขยื่งขยับลาบากมากขึ้นเมื่อมะเร็งมาลุกลามส่วนความทุกข์ใจเนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะมะเร็งไอ้ที่ลอยยิ้มหดหายไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับมะเร็งเลยนะมันเกี่ยวกับความทุกข์ในใจซึ่งนะเป็นเรื่องของใจล้วนๆความทุกข์ใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากการที่ไม่ยอมรับความจริง เธอเคบอกว่าเนี่ยความจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องโหดร้ายเนชะ่นความจริงว่าตัวเองเป็นมะเร็งเป็นโรคปลายที่ถึงตายแต่ว่าการไม่ยอมการไม่ยอมรับความจริงนะมันร้ายยิ่งกว่าความการเป็นมะเร็งเนี่ยนะความจริงว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันร้ายอยู่แล้วนะ แต่ว่าการไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่ร้ายกว่าเพราะมันสามารถที่จะขังหรือเป็นคุกของใจได้พอไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้ปิดหัวปิดตาแล้วก็ขังใจให้อยู่ในความทุกข์อันนี้ต่างหาที่ทําให้รอยยิ้มหายไป ทำให้เกิดความทุกข์ใจจกนกระทั่งไม่สามารถจะยิ้มแย้มแจ่มใสได้ไม่ใช่เพราะมะเร็งแต่เป็นเพราะใจต่างหากคนที่จะเห็นแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องเจอความทุกข์ก่อนนะเจอความทุกข์จนที่เรียกว่าแาบจะทนไม่ได้แต่สุดท้ายก็เรียนจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวแล้วก็เห็นว่ามะเร็งกับความทุกข์ใจเนี่มันไม่เกี่ยวกัน มะเร็งนี่เป็ น, เ, นปเรื่องของกายนะส่วนความทุกข์ใจเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากจิตใจที่ไม่ยอมรับความจริงซึ่งทศสาต่อไปที่ไม่ยอมรับความจริงก็เพราะว่ามันมีความยึดติดถือมั่นในในร่างกายนีนะ้แต่การที่เขาได้พยายามนะใช้ธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะในการในการไต่ตรอง นะมองตนเนี่ยมันก็ทำให้เห็นนะว่าไอ้ที่ทุกๆุกเนี่ยนะทุกกายก็อันหนึ่งทุกใจก็อีกอันหนึ่งทุกกายเพราะมาเร็งนะแต่ทุกใจเพราะวางใจผิดเพราะความหลงนั่นเองไอ้การที่ได้เห็นความจริงตรงนี้ก็ทำให้เธอเนี่ยสุดท้ายก็ใจก็สงบนะแล้วก็ยอมรับความตายได้ เธอก็ตายไปแล้วนะปีกว่าแต่ว่าก็ก็ตายอย่างสงบนะมีคนจนนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาได้เรียนรู้นะเกิดปัญญาได้เนี่ยเพราะว่าเกิดทุกข์อีกคนหนึ่งเขาก็ผู้น่าสนใจเขาบอกว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันให้อะไรกับเราได้มากกว่าความสุข ความสุขเนี่ยมันทำให้ใจลอยล่องลอยส่วนความทุกข์เนี่ยมันทำให้ใจเนี่ยมาอยู่กับตัวทำให้เกิดความรู้ตัวทำให้รู้จักตัวเองแล้วก็ทำให้อยู่กับความเป็นจริงอันนี้น่าคิดนะความสุขเนี่ยมันทำให้ใจล่องลอยเนี่ยไปอยู่กับความฝันแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้ เราอยู่บความจริงแล้วก็ทำให้รู้จักตัวเองแล้วคนนี้เขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะแต่เขาเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ก็หายากอยู่แล้วนะแล้วก็หนักแต่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทนี่หนักกว่าโรค ท, ทั่วไปแล้วเมืก็ค่อยเป็นค่อยเป็นไปเรื่ อ, อยจนกระทั่งทีแรกก็เดิดไม่ค่อยได้ ไปเรียนหนังสือนี่พ่อนี่ก็ต้องอุ้มไปตอนหลังพอโตขึ้นก็ให้ขีข่คอแต่พอเรียนจนถึงมัธยมนี่พ่อก็อุ้มหรือให้ขี่คอไม่ไหวเพราะว่าพ่อก็แก่แก่ตัวลงลูกก็น้ำหนักก็มากขึ้นสุดท้ายก็ต้องนอนอยู่ที่บ้าน ขย ე ย์ขยับอะไรไม่เคยได้เลยจะยกมือก็อลำบากกลายเป็นภาระของครอบครัวต้องมีคนคอยดูแลจนตัองเธอเนี่ยเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้ว่าอยู่ไปทาไมนะนอนนิ่งยิ่งกว่าคนเป็นอัมาพาตอีกคนอัมาพาตที่บางทียังยางพอจะคย ე ยงขยับอะไรได้บ้าง เราก็ยังสามารถอยู่ในอาการนั้นไปเรื่อยๆแต่ก้ามึนอ่อนแรงเนี่ยมันก็จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังเนี่ยเธอเกิดแรงบันดาลใจนะเกิดไฟยาเนี่ยอาา่านนิยายให้ฟังถ้าเกิดอยากจะเขียนนิยายบังแลากจะเขียนนิยายยังไงเอานิ้วจิ้มพิมพ์ดีดนิ้วจิ้มคีย์บอร์ดแปนแปนพิมพ์ก็ไม่ได้ต้องงอ น, นิ้วนะ ต้องงอนิ้วแล้วก็เอาส่วนที่งอนเนี่ยนักระแทกกับแป้นโทรศัพท์แป็นคอมพิวเตอร์กว่าจะพิมพ์ได้ทีละตัวทีละตัวนี่ก็ลําบากแต่ตอนหลังนี่ก็สามารถจะเขียนนิยายมาเป็นเล่มได้พอ เ, เขียนแล้วก็พิมพ์ออกมาขายก็มีรายได้ไปๆไปมาๆเนี่ยกับกลายเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัว นะตัวเองเนี่ยป่วยขนาดนี้นะแต่ยังกลายเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวหาเงินส่งเสียน้องไปโรงเรียนแม่ก็ตกงานก็อาศัยรายได้จากที่ลูกหามาได้ น, นี่แหละดุนเจือครอบครัวพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคนที่ช่วยตัวเองอะไรไม่แท้ไม่ได้เลยกลายเป็นคนเลี้ยงครอบครัวนะเพราะอาศัยเนี่ย อาศัยจินตนาการนะนะ ส, รสร้างนิยายขึ้นมาจากจะเรี่าปลายนิ้วก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขียนนิยายจากจากนิ้วที่ต้องงอนะเพื่อจะพิมพ์แป้นแล้วเธอพูดเนี่ยว่าเนี่ยความทุกเนี่ยมันให้อะไรกับเราเนี่ยมากกว่าความสุขความทุกเนี่ยมันทําให้ได้รู้จักตัวเองเทําให้ได้เห็นความจริง หลายคนีนที่สุดก็พบว่านะความทุกข์เนี่ยนะที่สำคัญคือความทุกข์ใจไม่ใช่ความทุกข์กายและความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกอะไรเลยนะมันเกิดจากใจของเรานี่แหละใจที่วางไว้ผิดนะใจที่หลงนะไม่เห็นความจริงหรือใจที่ลืมตัวเอาแต่จมอยู่กับความทุกข์ มองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเองความหลงที่มันทำให้เราทุกข์แต่สุดท้ายเนี่ยความทุกข์ก็สามารถทาให้เราหลุดจากความหลงได้ทำให้เห็นความจริงได้อันนี้ก็ดูแปลกนะคนเราทุกข์เพราะหลงแต่ความทุกข์นั่นเองก็สามารถจะทำให้เราหายหลง<ๆ>เห็นความจริงได้เพราะอะไรนะเพราะว่า เราหันมาพิจารณาความทุกข์เมื่อตามที่เราหันมาพิจารณาความทุกข์เนี่ยเราก็จะเห็นความจริงด้วยเห็นในพระเจ้าเนี่ยเมื่อทรงสอนเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยจึงทรงยกเอาทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจข้อแรกแต่ถ้านไม่พอนะจะต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้ถูกต้องด้วย คูยอตัดว่าเนี่ยทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกาหนดรู้ให้รอบให้ทั่วถึงทั้งใช้คว่าปริญญาปริญญานี่แปลว่ารู้รอบรู้ทั่วก็หมายความว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาจนกระทั่งเห็นความจริงมันอย่างรอบด้านบางท่านก็สรุปว่าเนี่ยทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเห็นนะไม่ใช่ข้ปเป็น เราจะรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างรอบได้นี่ก็ต้องต้องเห็นมันก่อนนะแต่ถ้าเราเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยก็จริงจกเข้าไปนในความทุกข์มากขึ้นถามว่าทำไมถึงเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าหลงแต่พอเราออกเอาดึกจิตออกมาดูเอามาพิจารณาความทุกข์เนี่ยปัญญาจึงจะเกิดขึ้นได้ ปัญญาคือการเห็นความจริงนะเรียกว่าเกิดวิชาขึ้นมาเป็นพ่อหลงนะจึงเข้าไปเป็นแต่พอมีสตนะิก็ดึงจิตออกมาจากการเป็นผู้เป็นนี้ก็กลายเป็นผู้เห็นและพอเห็นพอพิจารณามันก็เห็นความจริงความทุกข์ อันที่พิจารณาก็ไม่ได้ความทุกข์ที่ไหนเลยนะก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจนี่แหละความทุกข์ที่เกิดจากความหลงนี่แหละเมื่อเราหันมาไต่ตองมองตนเนี่ยมันก็จะเห็นเลนะโอ้อเราทุกข์เพราะหลงนะไม่ใช่ทุกข์เพราะอากาศหนาวไม่ใช่ทุกข์เพราะแดดร้อนไม่ใช่ทุกข์เพราะคําพูดของคน ต่อว่าดาทอของเขาไม่ใช่ทุกเพราะโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวแต่มันเกิดขึ้นเพราะหลงไม่รู้ตัวเพราะใจอาจจะเป็นนึกไปถึงวันที่กำลังจะตายท่าังที่ร่างกายก็ยังเดินเถินไปไหนมาไหนได้หรือแม่ก็ไปคิดถึงไปติดจ่ออยู่คับคพูดของเขาซึ่งมันกลายเป็นอดีตไปแล้วให้เราหมั่นมา เมมองตนเนี่ยนะด้วยสตินี่ก็จะเห็นนี่แหละ ว, ว่าทุกข์เพราะลืมตัวทุกข์เพราะเผลอคิดไปในสิ่งที่ไม่สมควรคิดแล้วพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆนะมองไปเรื่อยๆดูกายดูใจไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นความจริงของกายและใจว่าล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยง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 อันเป well ็นธรรมหมดจดเห็นด้วยปัญญานี้ไม่ได้เห็นที่ไหนนะก็เ well ห็นไอ้ตัวความทุกนี่แหละเห็นจากสังขารที่มันถูกทุกบีบคั้นพิจารณาดูดีๆนะเวลามีความทุกเกิดขึ้นเนี่ยลองใช้ความทุกเนี่ยนะมาเป็น เป็นแบบฝึกหัดแทนที่จะคร่ำครวนเวลาเกิดทุกข์และให้ใคร่ครวนใคร่ครวนด้วยปัญญาซึ่งเริ่มต้นจากการที่ใช้สตินี่แหละดูมันดูว่าไอ้ทุกข์เนี่ยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจเนี่ย ที่แรกก็แค่ดูรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นกับใจก่อนไม่ต้องทำอะไรมากไปก่อนนั้นแค่รู้ว่ามันเกิดกับใจแค่รู้ว่ากำลังทุกข์อยู่กาลังทับแค้นอยู่กาลังโกรธอยู่กาลดังห ง, ดงุดหงยดอยูนะ่รู้แค่นั้นก่อนเพียงแค่รู้เท่า น, นั้นเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ได้ยากแล้วยังไม่ต้องไปพิจารณาอะไรให้ลึกซึ้งนะ แค่รู้ทันเมื่อมันเกิดขึ้นหรือบางทีเขาเรียกว่าตามรู้ตามรู้หมายาว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามมาทีหลังถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นกับใจก็รู้กายไปรู้ว่ากำลังยกมือรู้ว่ากำลังเดินมันเผลอคิดจนกระทั่งเกิดทุกข์เมื่อไหร่ก็ไปตามรู้ทีหลัง แต่ว่าตามรู้ให้รวดเร็วไม่ใช่มันคิดไปสิบเรื่องแล้วถึงค่อยมารู้ก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะจนทั่งเออรู้รู้ทันท่วงทีนะเวลามันเกิดขึ้นนะกับใจแล้วก็จะเห็นตรงนั้นเราก็จะเริ่มเห็นโอ้เราทุกเพราะความคิดต่างหากไม่ใช่ทุกเพราะอย่างอื่นเลยไม่ใช่เพราะสิ่งข้างนอกมากระทา กับตัวเราไม่ใช่เพราะแดดไม่ใช่เพราะอากาศหนาวไม่ใช่เพราะรถติดไม่ใช่เพราะคำพูดของใครแต่เป็นเพราะใจเราต่างหากมันหลงแต่ตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วจากการที่รู้ตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ความจริงเห็นความจริงปัญญาก็เกิด แต่ก่อนเห็นด้วยสตินะตอนหลังก็เห็นด้วยปัญญาแล้นะเห็นด้วยสติก็ทําให้รู้ตัวเห็นด้วยปัญญานะก็ทําให้หลุดพ้นได้นะจากความหลงอันที่เป็นรากเหง้าก็คืออวิชชาก็มันทําไปนะแล้มันรู้ตัวไปเรื่อยๆอยังไม่ต้องเร่งรีบเมื่อเมื่อไหร่จะรู้หรือเห็นความจริง ให้เรารู้หรือเห็นของจริงไปก่อนของจริงก็คือกายกระจายนี่แหละไม่ใช่สีแสงอะไรรู้เห็นของจริงแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นความจริงเองอ้าวชาตินิพพุกะทนนีนะอ้าวกราบพระ<อ>